เรื่องวันทําำโบสถ์และป่าวาเ น, นะทีนี้ก่อนจะขึ้นตรงนี้นะ่ะผมขอพูดแต่เมื่อวานนะ่ะนะครับที่บอกว่าถ้ามีอันตรายเนยะก็ให้สวปดปฏิโมยย่อได้ใช่ไหมครับจะมีอันตรายอยู่ที่เรื่องหนึง่งที่บอกว่าอันตรายท่อมนุษย์นะครับมนุษย์มา ก, กันมากนะอันตรายท่อมนุษย์มา ก, กันมากความจริงในตรงนั้นนะ่ะท่านกอธิบายไม่เยอะหรอกนะครับแต่ตัวอย่างที่เจอเนะี่ยถ้าทิ่บาด ตัวอย่างที่เจอก็คือมาเรื่องของการปรมาณนารนปหนึ่งตัวอย่างนะครับก็เกิด ว, ว่ามีไอ้นักคนชาวดงเข้ามากันเยอ ะ, ะครับมากันเยอะไม่รู้มาทำอะไรบ้างนะบางทีจะมาเข้ามันเหตุทบานอะไรนี่ก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาพระสงฆ์เราสูตรปฏิโมกต์นะครับจะสวดปฏิโมกต์ในบริษัทที่มีขลุหะนะอยู่ด้วยไม่ได้อาจจะว่ามีญายโยเหมือนนิสนนําเมงก็แล้วแต่เข้าไปนั่นในทบานของเราด้วยนะครับ แล้จะสืบปฏิโมกย์อย่างนี้ไม่ได้นะครับก็จะต้องอ่านบัญนัะิสืบปฏิโมกย์ไม่ได้พอนี่โคชาลงผู้นี้มากันเยอะนะเยอะมากเลยประสองก็จะปวารณาสามครั้งไม่ได้แล้วธรรมดาการปวารณาให้ป็วารณาสามครั้งใชหมครับนะสังคมคันเตปวาระนี้สามครั้งแต่นี่เมื่อไม่สามปวารณาสามครั้งได้คงก็อนุญให้ปวารณาเมื่อเกิดอันตรายอย่างนี้นะมนุษย์มากันี่ยอนรญาตปวารณา สครั้งนะครัครั้งเดียวสองครั้งก็ได้ครั้งเดียวก็ได้หรือว่าปรมานาของพี่สุดที่มีภาษาเท่ากันก็ปรมานาพร้อมกันเลยก็ได้แบนนี้แล้วอยู่ในปรมานซึ่งเกี่ยวกับการเทวโมเสกก็มาส่งข้อได้นะครับว่ามรุมากรรมะ น, นีนะ้แล้วก็จะเข้ามาในสวรรคทีนี้ก็อีกอย่างที่บอกว่าคนมากันเนยอะอีกแบบหนึ่งที่ว่ามาสวรรสังกฐ า, านกันมากใช่ไหมครับอันนี้ก็พูดใน เรื่องของการปรณาเหมือนกันนะนเทียบเคียงฟังใส่นหมครับผู้ในการปรณาเหมือนกันต้อบอกว่าชาวบ้านมัวกันให้ทางอยู่นะครับทั้งวันคือเลยนะจนลาตีก็ล้จะสว่างแล้วนะครับเนี่ยผ้าก็มัวไปรับถึงกระทารับทางของโยมใช่ไหมกลัวจะได้มาปรณากันนะครับเวลาก็อารมณ์ใกล้จะขึ้นแล้วอาจจะประมาณตีห้าอย่างนี้นะเร็ยๆครึ่งชั่วโมองอารมณ์จขึ้นนะคะรับเวลาปรนานหรือวลาสุดปฏิโมกข์น่ะ ต้องทำในวันอุโบสถคือวันนั้นนะครับวับนอุโบสถสิบห้าสิบสี่ข้าสิบห้าเข้าอย่างนี้นะถ้าเป็นวันใหม่เนะี่ยมันก็ไม่ใช่วันอุโบสถแล้วใช่ไหมครับทีนี้เวลาเราก็เหลือแค่ครึ่งชั่วโมงเนะี่ยมันสวดเต็มจนถึงจบเสียเทียว่าไม่ได้นะนะครับอันนี้ก็ต้องรวบนะให้มันทันวันนั้นนะครับก่อนที่อรุณจะขึ้นอยง น, นี้ที่เราพูดถึงอีกอย่างนะครับคนมาถวายทางกันเยอะจะมาตีใกล้สว่างนะ อันนี้คุณเกียร์ปนานความจริงนะในตัวอย่างนี้นะครับก่อนย้ายปวนาเหลือแค่สองหนนเดียวหรือว่ามีนุษาพ้าวันปวนาเข้ากันนะครับนนก็ได้ น, นี่ครับมาังอันนี้เสริมจำเมื่อวานนะครับต่อมาเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องปณามาผมลืมพูดตัวอย่างนะว่าอทําไมเวลาท่านจะแต่งคัมภีร์นะ จะมีการล้อมนอบภระตนาตใจก่อนจุดประสงค์หลักจุดประสงค์ที่สําคัญเลยนะครับที่ท่านมุ่งก็คือเพื่อให้อานุภาพของพระสนัตใจนะครับปกป้องคุ้มครองท่านนะขณะแต่งคมพี์นั้นนะครับไม่เกิด อ, อันตรายขึน้นในระหว่างให้แต่งคมพีร์จนสําเร็จรุ่งร่วงไปด้วยดีนะครับนี่จุดประสงค์หลักในการล้อมรอบพระสนัตใจก่อนที่จะแต่งคมพีร์นะครับเนี่ยแบบนีบ้เมื่อวานอีหนึ่งพูดนะตรงคำนั้นต้องคำพีนะ์ นี้ก็มาต่อเลยนะครับต่อเลยนี่ยนะฮะวันทําอุโบสถและปวารณาคําว่าอัชปโปสถโธแปลว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถ ด, ด้วยคําว่าอัชชุปสดโธนั้นท่านห้ามวันที่ไม่ใช่วันอุโบสถ ด, ด้วยคําว่าปันณ่าอรโสห้ามวันอุโบสถอื่น ความจริงวันอุโบสถมีสามวันคือวันสิบสี่ค่าวันสิบห้าค่และวันสามมังคีอุโบสถนี่นะวันอุโบสถก็มีสาวันนะครับสิบสี่ค่ำก็หน้ส1บห้าค่ำก็ด้หรือวันสามมังคีอุโบสถทีนี้ถ้าสมมติว่าวันนี้เป็นวันสิบห้าคใช่ไก็จะสมมว่าสุนาตุเมพันเตสังโคอิุโตเสทปันนาตโสใช่ไหครับว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถคือสิบห้าค่ ก็ห้าวันบนสดอื่นนะนะครับตอนนี้คือที่สิบห้าข้ามก็จะสวดวันนี้แหละแต่ว่าวันบนสดจริงนะก็มีได้สาวันแต่วันบนสดที่เป็นสิบสี่ข้ามันก็มีนะครับความจริงน่ะบดีเราต้องพอรู้ตารางของบนสดหน่อยนะถ้าแจ้งไม่ครบผมลืมเอานั่นมานะครับนี้างไรอันนี้พูดคสองห้ากันคือในแต่ละฤดูเนี่ยอ่าหนึ่งปีมีสิบสองเดือนใช่ไหมครับอ่าหนึ่งปีมีสิบสองเดือน แลหนึ่งปนถ้าแบ่งเป็นสมฤดูครับคือฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนใช่ไหมครับทีนี้แต่ฤดูเนี่ยมีสี่เดือนใช่ไหมครับแต่ฤดูมีสี่เดือนดิ่เดือนมีสองอุโบสถเพราะฉะนั้นสี่เดือนก็จะมีแปดอุโบงสถใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นหนึ่งฤดูเนี่ยก็จะมีแปดอุโมงค์สดนะหนึ่งฤดูเป็นแปดอุโบสถทันไหมครับ <c oughs> ทีนี้อุโบสถที่สามแล้วก็อุโบสถที่เจ็ดนะครับขอทุกทุกฤดูเลยจะเป็นสิบสี่ค่ำนะครับอุโบสถที่สามที่เจ็ของทุกทฤดูเลยจะเป็นสิบสี่ค่ำเดี๋ยวนั้นก็จะบอกให้เหมือนกันนะบริฟังผมพูดก่อนจะเป็นสิบสี่ค่ำนะครับพราะนั้นก็เลยว่าวันอุโบสถที่เป็นมานสิบสี่ค่ำก็มีนะครับนอะแล้วก็วันอุโบสถที่เป็นวันสิบห้าค่ำคือเต็มเลย ส่วนวันสามเมื่อคืนบวชสดนั้นเปนยังไงวันสามเมื่อคืนบวชสดก็คืออย่างในเรื่องของวิสุทธามงโกสัมพีที่จะรอาะวิวาะกันนะครับแต่ทิ้งสองฝักสองฝา่งฝายใช่ไหมจนแยาก ก, ากยันะทําผลกรรมไปเลยนะทีหลังนะครับเมื่อสามารถคืนดีกันได้นะสามเมื่อคีนโกมเกลกันได้นะครับวันไหนก็แล้วแต่นะให้ลงปฏิโมกรวมกันในวันนั้นเลยนะครับวันนั้นถึงจะไม่ใช่สิบสี่ข้าถึงบห้าข้าวก็ แ, 14, 15, 15, 15แล้วแต่นะ แต่วัาสามวันสามเมื่คืนกันได้นะครับดีกันได้ในวันนั้นถ้าลงปฏิโมกษ์วันนั้นเลยวันอุโบสถวันนั้นก็จะเรียกว่าวันสามเมื่อคืนโบสถนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะแล้วก็รู้นะว่าันอุโบสถจะมีสี่วันนะครับวสามวันนี้เรสิบสี่ทุ่มสิบห้าทุ่มแล้วก็วันสามเมื่อคืนโบสถบรรดาวันอุโบสถเหล่านั้นในแต่ละปีจะมีวันอุโบสถ สิบสี่ค่อมเดี๋ยวอันนี้แจกไม่ค่อมนะครับให้ดูเป็นคู่วะนะคู่นี่เพไม่ค่อมอย่เดี๋ยวแค่สี่อันน่ะของพี่ทำหายนเะออนนี้ข้างหน้าสองพันข้างหลังสองพันยังไม่ได้สีนะ่ ใคร steak, ใครได้แล้วใช่ไหมครับใครได้แล้วนะคนนี้ผมไม่ไม่ทันได้บอกให้เอามานะครับไม่ทันได้บอกให้เอามานะไม่ดีสำหรับผู้ใหม่เนะผู้ใหม่ถ้าจะนิ้วผ้าไม่ออกนะถ้าใครนึ้วผ้าออกแล้วมันจะไล่นะครับคนที่นิ้วผ้าไม่ออกก็ดูตามนี้นะครับแล้วถ้าใครมีแล้วก็ให้คนที่ไม่มีก็ได้แต่นี้ดูกว่านะดูชื่อผ้านะครับอ หรือแคทางน่ะเรื่องนี้นะคะรับเอาตรงตารางอุโบสถนะเราจะเห็นว่าเป็นอุโบสถที่ใช่ไหมครับมีหนึ่งถึงสิบเลยอ่แต่ถ้าเป็นปีธรรมดาเอาแค่อุโบสถหนึ่งถึงแปดนั่นเองครับเราจะเห็นว่าฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนแต่ตอนทุกกามาณ์นะตรงนั้นยังยังไม่เอานะครับเอาแบบปีธรรมดาก่อนแต่แลอยู่จะมีถึงแปดอุโบสถนะครับ ตัวนี้เป็นสีดําำคือข้างแรงข้างนี้ก็จะอันดับใช่ไหมครับตัวนี้เป็นสีขางข้างขึ้นนะแล้วตัวแรกข้างล่างหรือว่าข้างบนเนี่ยเป็นตัวแรกของเอ่าของข้างขึ้นข้างแรงนะครับในเช่นวันฤดูฝนนะฤดูฝนคูโบลสตรที่หนึ่งสีดําก็คือเป็นข้างแรงใช่ไหมครับตัวแรขสิบห้าก็คือแรงสิบห้าขึ้มส่วนตัวแลกข้างข้างเนี่ยเป็นตัวแรกของเดือนครับ จะได้ของเดือนพอเพราะนั้นนะโมเสถิขงนรนจะเนี่งว่าวันแรงสิบห้าค่ำเดือนแปดใช่ไหมครับนี่นะให้ดูวิธีดูนะครับพอโมเสถิที่สองก็เป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำพอขึ้นก็จะไว้บนหัวอะไรนะวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนเก้าโมเสถิที่สามก็เป็นวันแรงสี่ค่ำเดือนเก้านี่นะครับไล่ไปเรื่อยนะพ่อเดีเย๋ยวจะอธิบายประการนี้นะครับเนี่ยไล่ไล่ไปเรื่อยเลยนี่ครับ ถ้าเบอกว่าบรรดาวันอุโบสถเหล่านั้นในแต่ละปีจะมีวันอุโบสถ14ค่ําอยู่6วันโดยนําเอาวันอุโบสถที่3และที่7ของฤดูทั้ง3คือฤดูหนาวฤดูฝนและออฤดูหนาวฤดูร้อนและฤดูฝนนะคี่เห็นไหมอุโบสถที่3แล้วก็ที่7นะครับของทั้ง3ฤดูนะจะเป็นวันแรง14ค่บเท่ไหม หนึ 1> 1่งฤดูมีสิบสี่ค่ำอยู่สองวันสามฤดูก็มีสิบสี่ค่ำอยู่หกวันนี่ครับเนี่ยนะหกวันคือบอสดที่สามแล้วก็ที่เจดของฤดูทั้งสามนะครับอันนี้ต่อไปอ น, บบ น, บนะครับวันบอสดสิบแปดนะสิบแปดวันที่เหลือเป็นวันสิบห้าค่ำนะครสิบแปดวันที่เหลือเป็นวันสิบห้า่ำเพราะฉะนั้นในปีหนึ่งหนึ่ง จึงมีวันอุนนนโบสถ24ครั้งเนี่ยนับไปเลยนะ24ครั้งเพราะว่าหนึ่งฤดูนะมีแปดอุโบสถใช่ไหมทีนี้สามฤดูนยแล้วก็แปดคูณสามแปดสามยี่บสี 8, 3, ออ่ใช่ครับแปดสามยี่บสี่เอายี่บสี่นไปหักสิบสี่ข้ามออกหกวันนะครับยี่สสี่สิบสี่ข้ามออกหกวันที่เหลือ อ, อีกสิบแปดวัน เป็นวันสิบห้าค่ำนี่นะตามนี้แหละนะครับเนี่ยก็เลยก็เลยได้แล้วว่าในปีหนึ่งๆจะมีวันอุโบสถยี่สี่ครั้งมีวันอุโบสถยี่สี่วันแต่ทําบสถกรรมยี่สามครั้งทําปวนากรรมครั้งหนึ่งนะครับจริงๆนะเราสวดปฏิโมกจริงๆสู่แค่ยี่สามครั้งนะครับเพราะครั้งหนึ่งคือวันปวนา อ, อุาสารคใช่ไหมวันนั้นจะไม่ได้สวดปฏิโมกนะครับแต่จะเป็นการทรําปวนาแทน ก็จะมีการสวดเหมือนกันนะแต่พอสวดแล้วก็ตั้งยมติปรณาเสร็จใช่ไหมครัไม่ได้สู่ปฏิโมกข์แต่ให้ปรวนากันนะครับต้องแต่ต้าเถรนั้นไล่ไปนนถาางงึงนู่นแหละเพราะนโอการุสุทายถ้าพระใหม่เนี่งเช่นพิมพิสุรยังเนี่ยปรวนาจะมีสังคมพันเตปวารเเลมิใมี่ไหครับการปรวาที่นี่มหมายถึง ว, ว่าการเปิดโอกาสนะให้พระสงฆ์เนี่ยว่ากล่าวตัดเพื่อนตัวเองได้นะครับเนี่ย เดี๋ยวมันออกภาษาเราก็จะได้ทำพิธีกรรมนี้นะครับพิธีกรรมหนักโบราณกลยว่าเนี่ยทำบนโสตกรรมวี่สามครั้งทำโบรหนึ่งครั้งคำพิธ่กรรมมานี้เป็นข้อธรรมเนียมตามปกติก็เพราะพระบาลีว่าที่สุดเท่างหายเรานุญาตให้สุดปฏิโมกปักละครหนึ่งปักก็คือสิบห้าวันใช่ไหมหนึ่งเดือนนะครับท่านแบ่งเป็นสองปัก ก็คืมีข้างขึ้นแล้วข้างแรงทั้งสองปักนะแต่ละปากไม่สุดปฏิโมกข์ครั้งหนึ่งคือวันสิบสี่ข้ามหรือวันสิบห้าข้ามและเพราะพระบาลีเป็นต้นว่าพิสุอาคันตุ ก, กะพึงประพฤติตามพิสุเจ้าถิ่นนี่เริ่มเริ่มแล้วนะ <c oughs> ฉะนั้นเมื่อมีเหตุจำเป็นอย่างนั้นจะทำอุโบสถในวันสิบห้าข้มอื่นในวันสิบสี่ขามอื่นก็ได้ นะเน่ยเป็นยังไงอธิบายนะเอาแค่นี้ก่อนนะตอนนี้เขาบอกว่าเกี่ยวกับพิสูจน์คำตุกกาและพิสูจนเจ้าถิ่นนะครับมีการนัดวันอุโบสถไม่เหมือนกันนะเขาบอกนะครับก็อีพิสูจเจ้าถิ่นเนี่ยและก็มีค่าคำตุกกาที่มานะ่และก็วันนี้จะเป็นวันอุโบสถพอดีนะครับเขาจะไปลงสุปตปฏิโมกด้วยกันนะพนิสูจนเจ้าถิ่นบอก ว, ว่าวันนี้ เป็นบอรือบสดสิบสี่เข้ามแต่รู้สึกว่าคันตุกะบอกว่าไม่ใช่หนึ่งสิบห้าเข่ต่หากบอลรือบอลสดสิบห้าเข่าต่งหากนะครับทั้งนี้วันเดียวกันนะแต่หน้าไม่เหมือนกันถ้าบอกว่าคันตุกาเหล่านั้นที่น้ำอนหรือบอลสดไม่เหมือนกันเพราะว่ามาจากนอกวั่นแว้งนะครับเดียวกับประเทศนี้นะนาอุบอลสดไม่ตรงกันนะครับมีเหมือนกันนะทีนี้เราจะทํายังไงล่ะจะอาจจะคล้อยตามใครนะครับ จะคอยตามเจ้าถิ่นหรือว่ า, าคันตุกะ ก, ก, ก็มีนคะครับมีหลักการนะถ้าบอกว่าถ้าพิสุจเจ้าถิ่นมากกว่าอ้คันตุกะน้อยกว่าอันนี้ให้คันตุกะคอยตามเจ้าถิ่นนะครับถ้าว่าเท่ากันก็ยห้คอยตามเจ้าถิ่นเองเจ้าถิ่นนี้ต้องมีสิทเยอะนะมากเมอดีเท่ากันไม่ดีเนี่ะก็ต้องคอยตามเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นบอกสิว่าต้องเป็นสิวอาชุปสัทโธจางจุตัสโตนะครัทีนี้ถ้าพิสูจน์เจ้าถิ่นมีน้อยกว่า แต่คันตุกะมากกว่านะครับอันนี้คอยตามวิสวรณ์คันตุกะนะครับเขาให้คอยตามคันตุกะนะครับก็ว่าเป็นอชุโปสะโถปนัลโสนะลักษณะนี้นะครับแม้ว่าเจ้าถิ่นเขาน้ำว่าวันนี้เป็นวังโมโตสิบห้าขั้มอันคันตุกะก็ว่าเป็นสิบสี่ขั้มอันนี้ก็มีวินิจฉัยเหมือนกันนะครับก็คือถ้าเจ้าถิ่นมากกว่าหรือว่าเท่ากันคอยตามเจ้าถิ่นแต่ถ้าคันตุกะมากกว่า ให้คอยตามคตุการนะครับอันนี้นในหนึ่งพอฉะนั้นท่า น, นก็เลยบอกว่าเนี่ยเมื่อมีเหตุจําเป็นอย่างนั้นจะทําอุโบสถในวันสิบสี่ค่ำอื่นก็ได้ถ้าในความจริงวันนี้ยเป็นวันสิบห้าค่ใช่ไหมครับแต่ว่าคตุการเนี่ยเขาบอกว่าสิบสี่ค้ำแล้วก็มีมากกว่าเขาก็นับเป็นอย่างนั้นนะเราก็ต้องคอยตามเขา้านี้ น, นะครับเท่า น, นก็เลยบอกอย่างนี้นะ เพราะว่าวันที่4ค่ำของอังคารกกาเนี่ยอาจจะไม่ใช่โบรสตรที่3แล้วก็ที่7ก็ได้นะครับแต่เขาแนะนำเขาไม่รู้เรื่องมาคนละที่ทําก็ต้องไยฟางนะครับพรามจริงมันมีลักษณะนหนึ่งนะถึงว่าขณะ น, นี้นะครับถ้าบอกว่าที่สุดจ้อนถิ่นน้าว่า ว, ถถวันนี้เป็นวันหนึ่งค่ำนะครับอังคารุกกาศบอกว่าวันนี้เป็นวัน15ค่ําเป็นวันอุโบถสถต้องลงปฏิโมกแล้วแต่จ้าถิ่นมอกไม่ใช่มันผ่านไปแล้ว วันนี้มันแลหนึ่งค่ำนะเนี่ยลงปฏิโมกข์ได้ยังไงครับทีนี้ทํำยังไงมีวิธีประพฤติอีกแบบนะะึ่งครับถ้าพิสูจน์เจ้าถิ่นนะมากกว่าอาคันตุกะน้อยนะครับก็ให้พิสุจน์อาคันตุกะนะออกไปทําอุโบสถนอกสีมาะคระับเอาไปทําบุญสถนอกวัดไปเลยไปในสีมาแม่นนะสีมาปา่ากั้งแต่นะครับออกไปทําที่นั่นแต่พิสูจน์เจ้าถิ่นเขาจะไม่ทําไม่ทำอุโบสถรอกเพราะเขาถืออุโบสถถานไปแล้ว ก็าถว่าวันนี้เป็นวันแรวันหนึ่งค่ำแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีคําว่าให้คันดกะค่อยตามเจ้าถิ่นนะไม่เขาเจ้าถิ่ถือว่าวันนี้ไม่ใช่มันอุโบสถนะครับบอกว่าให้คันดูกะไปทำอุโบสถนอกสีมานะครับหรือว่าถ้าเท่ากันก็ดีนะเจ้าถิ่นบอกหนึ่งค่ำนะครับคันดูกาบอกสิบห้าค่ำแต่มี็นจนวนเท่ากันอันนี้ให้คันดูกาไปทำอุโบสถนอกสีมาเหมือนกันทางข้างนอกได้เลยคุณถึงอย่างนี้ใช่ไหม แต่สมัยนี้คงจะยากนะที่ไม่ไม่เหมือนกันนี้นะครับมัจะเหมือนกันอะไนแต่ว่าถ้าเจ้าทีน้อยกว่าเจ้าทีหนึ่งาำเนี่ยน้อยกว่านะแต่คันตุกะบอกว่าสิบห้าคำนี้มากกว่านะครับอันนี้ทํายังไงให้คอยตามพิสูธน์คันตุกะนะครับลงปฏิโมกข้ายตามเขาเลยหรือว่าจะไม่ค้อยตามก็ได้นะครับถ้าเราไม่ปรากถนานะหรือว่าคื่ออกไปนอกสีมาให้เขาลงปฏิโมกันนะแล้วก็ออกไปนอกสีมาแล้วก็ไม่ลงปฏิโมกเขาเลยครับ เขาไปทำไม่เสร็จแต่ไม่ได้ไปทำอุโบสถเพราะว่าเจ้าถิ่นถือว่าเป็นวันหนึ่งข้าใช่ไหมก็จะไม่ไปทําด้วยนะครับถ้าจะคอยตามไปทําด้วยก็ได้นะถ้าจะไม่คอยตามก็ได้แต่ให้อยู่นอกสีมาถ้าไม่คอยตามนะครับแล้วขอให้เขาทำอุโบสถไปนี่นะครับออมก็สนานนี้นะแล้วก็อันนี้ก็พอ <c oughs> <c oughs> แล้วับเดี๋ยวเราจะเห็นว่าไม่ได้มีรายละเอยียเยอะนะครับต่อไป แต่สําหรับพวกวิสูที่จําพรรษานะครับวันแรมหนึ่งา่ำเดืนอนแปตรงนี้นะจะได้ปวาณาในวันสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดนะครับ mm. ดูตรงตารางอุโบสถนะครับตรงวันแรงหนึ่งค่ำเดืนเอนแปดอนุดูฝนอะไรน้าอุโบสถที่หนึ่งของฤดูฝรนน่ะเป็นเดือนแปนะครับ mm. เป็นวันแรงสิบห้าค่ำเดือนแปดใช่ไหมอันนี้ที่เราจำพรรษานะครับ เราจำพรรษาตั้งแต่เมร 1, 9, 8, นะัมหนึ่งค่าเดือนแปดนะเนี่ยนะครับ 1, 9, 8, เรมหนึ่งค่ำเดือนแปดคือตารางแรกของฤบูฝนเลยนะแต่เป็นหนึ่งค่ำนะครับทีนี้เราจะไปออกออกพรรษาตอนไหนนะครับออกพรรษาฝนจะบอกว่าจะได้ภาวนาในวันสิบห้าค่ำเดือนสิบเ็ดนะครั บ, นะรบก็ตรงกับที่หกนะครับอุโบสถที่หกนะเราจะเราเข้าพรรษาแรมหนึ่งค่ำเดือนแป เราจะไปออกพรรษาตรงกับอุโบสถที่หกนะครับคือวันขึ้นสิบห้าค่เดือนสิเอ็ดนะหรือตามตารางนะครับวังนั้นเรากจะครบสามเดือนพอดีใช่ไหมเพราะว่าหนึ่งป่งมีสิบห้าวันใช่ไหมครับสองปังก็เป็นหนึ่งเดือนทีนี้สามเดือนก็ได้หกป่งนะครับหกปังก็เป็นสามเดือนนะทีนี้ถ้าถูถาถกที่สูบผู้มังหาเรื่องรบกวนเอานะ จึงเรื่องวันพภาวนออกไปจิงเรื่องบรรพภวนออกไปความจริงนะครับเวลาเข้าบรรษาจำบรรษาเ้าเรียกภรษาแรกนะแลวหนึ่งเขาเ้ามือแปดเราก็ต้องไปออกบากรษาภาวนาวันสิบห้าเข้ามือสิบเอ็ดนั่นแหละแต่ทีนี้นะครับถูกพิสุจผู้มั่งก่อกวนนะครับลอกวนกเข้าจะทายังไงท่านก็พูดถึงพิสูผู้มั่งก่กขนนะครับพิสุคือมีพิสูอยู่หมู่หนึ่งนะ ถ้าไปจำภา ษ, ษาอยู่ในวัดแห่งหนึ่งนะครับภายในอาวะแห่งนั้นนะ่ะก็มีพิสุผู้มกกักเกาะฟามบางมาเพราะวิวานะอยู่ใกล้เคียงนะครับใกล้ๆ ก, กันแล้วพิสุผู้มักก่อความบางมาเนะะี่ยจำภาษาอยู่ด้วยมุ่งหมายว่านในวันปวนาเนี่ยเราจะมางดปวนาของพิสุภกนี้นะนะครับพอเขาชอบหาเรื่องอยู่แล้ว <c oughs> ไม่รู้ว่าทําไมอยู่ดิจะมางดปวนาคนอื่นนะครับธรรมดาการงดปวนาเนี่ย จะงดปรวนาแต่ที่สุดทุกผู้มีอาบัติติตัวนะครัปฏิโมกขก็เหมือนกันนะที่สุดผู้มีอาบัติติดตัวเนี่ยจะมาลงปฏิโมกข์นะหรือว่าปรวนาไม่ได้นะถ้าลงปฏิโมกข์นี่ก็จะเป็นอาบัติขกตนะครับถ้ามาเนี่ยแล้วก็จะไม่ให้ร่วมด้วยนะถ้าท่านจะเข้าหน้าแล้วก็จะงดปฏิโมกท่านนะครับท่านจะปรวนาร้วแล้วก็จะงดปรวนาท่านเนี่ยต้องงดปรวนาเขาที่ไมีอาบัติติตัวนะแต่คนนี้เขาไม่สนหรอกเขาไม่นิสัยไม่ดีถ้าก็เนี่ยนะครับ คิว่าเดี๋ถ้าออกพรรษาเน่ยนะประมาณว่าตัวน า, า, าที่สุดผู้นี้นะครับวิธีแก้ไขทํำยังไงท่านก็บอกว่าจึงเรื่องวันปรวนาออกไปนะครับจากนั้นวันออกพรรษาก็จะมีในวันแรงสิบสี่เข้าเดือนสิเอนะครับเราก็เลื่องปรน า, าออกไปเป็นอีกอุโบสถใช่หมความจริงอุโบสถที่หกเนี่ยปรวนาได้แล้วนะครับแล้ก็เลื่องไปเป็นอุโบสถอีงคืออุโบสถที่เจ็ดนะครับปล่อยต่น า, าวันนั้นแทน พอ่อวันนี้ปลอมมาไม่ได้นะาาแล้วเข้ามาแล้วเราจะมาง้อเราเนาะล้วก็เลื่อนไปหนึ่งบสดนะครับทีนี้ถ้าอุโบสถที่เจ็ดเขาไปยังมากัน้กนเองน่ะ <c oughs> ทางนี้ก็เลื่อนไปอีกถ้าเลื่อนไปเป็นบวสดที่แปดนะครับน่นครับเขาเลื่อนครับาจีบบวสดที่แปนะครับถ้าอุโบสถที่แปดเนี่ยจะมาหรือไม่มายัางไงนะเราก็หาวิธีนะครับลงปลอวรณาให้ได้ถ้าบวสดที่แปดเนี่ย เราไม่สามารถจะเลื่อนไปอีกได้แล้วนะครับเลื่อนไปไม่ได้แล้วนะต้องโปรนาวันนี้ให้ได้นะครับควาจริงมีวิธีที่แบบเยอะกว่านี้นะทีนี้บอกว่าสมมุติความธรรมนาเราจะโปรนาอุโบสถที่หกใชไหครับถ้าเราไม่โปรนาวันนั้นเราไปเลื่อนโปรนาเป็นอุโบสถที่เจ็ดวันนั้นเราจะทําอะไรอนะ่ะวันนั้นเราก็จะสวดปฏิโมกนะครับวันนั้นจะไม่มีการโปรานาะแล้วเราก็จะสวดปฏิโมกแทนแล้วก็เลื่อนโปรนออกไป เึ่นการเลื่อนปวงนาเนี่ยมีการนะครับมีการสวดนะสวดประกาศาสองคร้งนะครับงานเลื่อนปวงนาไม่ใช่อยู่ดีจะเลื่อนก็เลื่อนนะแต่มีการสวดประกาศานะครับเนี่ยท่านบอกว่าขอท่านเจ้าถิ่นทั้งหลายจงฟังเ้าบพเจ้าถ้าความพร้อมพรั่งของท่านทั้งหลายถึงขี้แล้วพวกเราคุณทํามโวสดวั น, น, น, วนาาเนี่ยนะวันโปวงนาไห้ทํามโวสดแทนนะครับเพิ่งสวดปฏิโมกในบัตรนี้ เพื่อปวนาในวันกาลปะที่จะมาถึงเธอเนี่ยก็คือไปปวานาะวันแรงสิบเอ็ดข้ามนะครับอันวันแรงสิบสี่ข้ามเดือนสิบเอ็ดนะคือนะครับคือวงสดต่อไปนะครับนี่นะเป็นลักษณะน้ความจริงนะมีวิธีปบำเพ็ญอย่างนี้นะครับฉันจะเล่าใุ้ฟังนะวิธีแก้ไขเมือ่อมีผู้สู่ผู้กอ่อความบาดหมายอยู่ใกล้เคียงจําพรรษาด้วยมุ่งหมายว่าจะมาเมื่ปวนานะครับ วิธีแก้ไขาวิธีแรกก็คือทําบโบสถที่สามที่สี่ผมว่าขึ้นกระดาให้หมดเลยนะถึงจะได้นะครับตรงนี้ต้ขึ้นกระดา อุโบสถที่สามสี่ห้าหกถ้าดูตามตารางนะเอาแค่ดูฝนพอนะครับอุโบสถที่สามเราจะเห็นว่าเป็นวันแรงสิบสี่ค่ำใช่ไหมครับอุโบสถที่สามนะเป็นวันสิบสี่คาำทั้งหมดเนยครับที่บอกว่าที่สามที่เจ็ดจะเป็นสิบสี่ค่ทีนี้นะเราจะไปกอนานกันคือวันอุโบสถที่หกคือวันขึ้นสิบห้าค่ำใช่ไหมครับอุโบสถที่หกนะขึ้นวันขึ้นสิบห้าค่ำนะครับ ทีนี้เมื่อี่สุภูกอบความบางมา้าเนี่ยเขามุ่งมุ่งหมายแล้วนะครับว่าเดี๋วันปวน า, าน่ะจะเป็นงวดปวนานี่สุเหล่านั้นนะก็มีวิธีปฏิบัติอย่างนี้นครับทีแก้ไขนะหนึ่งเราเทวโบสถที่สามและอุโบสถที่สี่นะครับให้เป็นวันสิบสี่ค่ำนะธรรมดาอุโบสถที่สามน่ะเป็นสิบสี่ค่ำอยู่แล้วใช่ไหมครับนะทีนี้เราก็เทวโบสถที่สี่อีกวันหนึ่งให้ไป็นสิบสี่ค่ำ ธรรมดาวโบสดที่สี่นะความจริงนะดูความันจริงนะอุโบสถที่สี่ไปวันครึ่งสิบห้าค่ำใช่ไหมครับแต่เราใช้ไปสิบสี่ค่ําก็คือไม่ได้ถึงวันสิบห้าค่ำลงโบสดก่อนครับลงโบสกรอหนึ่งวันตรงวันสิบสี่ค่ำเลยนะครับทีเมื่อลงโบสดก่อหนึ่งวันเนี่ยวันโบสถหน้าต่อไปของเราเนี่ยมันก็จะก่อนพวกพิสูจน์ผู้บ่ามานะก่อนหนึ่งวันใช่ไหมครับ จะเห็นไ้มของมิสุผู่บ่ายหมาดูบทสดที่สี่นะครับของเราสิบสี่ข้ามราลงปฏิโมกเงียบร้อยแล้วของข้าวสิบสี่ข้ามเ้ายังไม่ลงนะครับเขาจะร้อยถึงสิบห้าข้ามก่อนถึงจะลงปฏิโมกเมื่อเราลงก่อนปุ๊บนะครับเราก็นับหนึ่งก่อนเข้าใช่ไหมเขายังไม่ทันนับนะครับพอไปอุบลสดที่ห้าเนี่ยเราก็จะก่อนเข้าเราสิบห้าข้ามแล้วนะครับพรเรานับก่อนเข้าเข้าแค่สิบสี่ข้ามใช่ไหมครับนะทีนี้พอสิบห้าข้ามปุ๊บเราลงปฏิโมกเสร็จ เราก็นำหนึ่งก่อนเลยแต่เขายังไม่นําเขาก็เป็นสี่อยู่แต่นำหนึ่งเมื่อเรานำหนึ่งก่อนปุ๊บวันสิบห้าท่ำเดือนหกของเราเนี่ยก็จะก่อนเข้านะครับเข้ากลุ่มสิบสี่ใช่ไหมครับเนี่ยแต่ของเราไปไปวันสิบห้าท่าเดือนหกเราโปรนานก่อนที่นี้เขาจะไม่รู้ไปแล้วเพราะเขาจะต้องนับอุโบสดตามธรรมดาใช่ไหมครับเขาไม่รู้ว่าเราทำอุโมงค์สดก่อนหนึ่งวันเราจริงปรนานกนเข้านะครับนี่นะ ท่านเบอกว่าทําอุโบสถที่สามที่สี่ให้เป็นสี่เข้ายหรือว่าอีกแบบหนึ่งครับถ้าไม่เราทําอย่างนี้แล้วนะเขาก็ยังแอบ ม, มารู้ได้นะครับหรือ <c oughs> แอบ ม, มารู้ได้นะว่าเนี่ยเราทํางนี้ก็ใช้วิธีหนึ่งนะครับก็คือทําอุโบสถที่สามที่สี่แล้วก็ที่ห้าเอาสามอุโบสถเลยให้เป็นวันสิบสี่ข้าหมดเลยนะครับทํา น, นาสิบสี่ข้ามีแค่เลขสามนะดูคำว่าจริงนะครับ สิี่ข้ามมแค่บโบสถที่สามเฉยที่เหลือจะเป็นสิบห้าหมดเลยทีนี้เร า, ารท่องโบสที่สี่เนี่ยให้เป็นสิบสี่ข้าด้วยใช่ไหมครับนะเราก็จะ ล, ลงปฏิบโมกสิสี่ข้ามเลยเราลงปฏิบตโมก่อนคร้งหนึ่งวันของพิสูจบางหมาสบสี่ข้ามพวะี้ไม่ลงปฏิบโมนะเรากอดคละหนึ่งวันนะครับพอเรากอดั้หนึ่งวันล้วก็นับหนึ่งก่อนใช่ไมนับหนึ่งไปถึงสิบสี่ไม่ต้องนับไปถึงสิบห้านะครับนับไปถึงแค่สิบสี่พอ พราะเราจะทํำอุโบสถที่ห้าเนี่ยเป็นวันสิบสี่ค่ำอีกวันหนึ่งนะครับเนี่ยนะพราะฉนั้นเราทำอุโบสถก่อนเข้าสองครั้งคือโบสถที่สี่แล้วก็ทำอุโบสถกอนเข้าครั้งหนึ่งใช่ไหมครับโบสถ์ที่ห้าก็ทําบสถก่อนเขาครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นอ่ะอุโบสถของเราเนี่ยจะไวของเขาสองสองวันนะครับเพราะฉะนั้นตรงโบสถ์ที่ห้าเนี่ยของเราคือสิบสี่ค่ำเนี่ยเลงปฏิโมกข์แล้วของเขายังเพิ่งสิาเลยนะครับเขายังไม่ลงปฏิโมกข์นะ เป็นสิบสามเลยพอไปถึงอุโบสถที่หกนะครับของเรานับถึงสิบห้าแล้วเราปอนาวันนั้นเลยแต่ของไม่ใช่ผู้บ่าม้ากันเนี่ยยังพูดยังสิบสามข้ามเลยครับเขาก็ยังไม่ปอนานะเขาจะไม่รู้คว่าเราเนี่ยไปลงปฏิโมก่อนนี้นะเขาไม่รู้นะเนี่ยเนี่ยคือวิธีแก้ไขนะครับเขาจะได้ไม่สา ม, มาวดปอนาเราได้นะเพราะเขาไม่รู้แล้วก็ปอนาก่อนเสร็จก่อนเลยครับครับ ไ <c oughs> อ้ น, นี่ไอ้ น, นี่ผมวจไม่ได้อยู่วัดเดียวกันนะ<ม>อาจจะอยู่ใกล้ๆสํานักใกล้ๆแถนนน ว, วนั้นนะครับเนี่ยอย่านี้คงไม่อาจจะมีนะลักษณะเนี้ยอยู่ดีจะแบ่งวัดปอนาคนอื่นครับแต่ท่านก็ไม่ได้บอกว่าวัดเดียวกันเดิบอกแต่ว่าอยู่ที่ใกล้เคียงนะครับอยู่ที่ใกล้เคียงนะแต่ดูลักษณะน่ า, านจะอยู่คนละวัด น, นะครับเ <c oughs> พราะถ้าอยู่ว่าเดียวกันว่าต้องรู้นะว่าต้องรู้นะครับ <C> e <an> ทีนี้อันนี้คือวิธีนี้ถ้าสมมติว่าวิธีนี้แล้วเนี่ยยังไม่ได้ผลเข้ามาล่วงรูร้หมดเลยแผ่งตาของเราเลยน <c oughs> ี่ครับน ะ, ะสมขาวเวลาเราโบรอลงอุโบสถเนี่ยเขาก็มาลงด้วยทุกครั้งเลยนะครับไม่แน่ว่านข้าจะไม่มีโบ่อย่างนี้นะไม่มีอุโบสถนะครับไม่มีสีมานเนี่ยเาก็มาลงกับเราด้วยอย่างนี่นะเป็นได้นะครับสมัยนี้เขาก็เลยมารู้ตลอดเลยทีนี้ฮะ ให้ทำยังไงถ้าบอกว่านะครับก็ให้พวกสมเณรเนี่ยคอยดูรูปทางเวลาเราจัดประชุมนะปวนาเนี่ยประมาณสิบห้าขึ้นเปนะ็นหกนะครับเราส่งสมณเณรอะไรไปดักอยู่ตรงประตูวัดเลยนะคอยดูเนะ่ะพวกนั้นจะมาเมื่อไหล่แล้วพอสองก็รีบประชุมกันไปเไวนะครับแล้วก็ปวนาสเสร็จเสร็จพอเข้ามาปุ๊บเราบอกนะพวกเราปวนากันแล้วะพวกนัานทาอะไรไม่ได้หรอกพวกเราปวนากันเสร็จแล้วเขาจะมาว่าปวนาไม่ได้ครอก <c ười> หรือว่าถ้านะครับ พิสูจนผู้บ่าหหมานะเข้ามาเอามันแต่ช้าตัวเลยนะเข้ามาเลยนะครับเราไม่ทันรู้ตัวเลยนะเขาจู่โจมอย่างไวเลยอย่างนี้ก็ทํำยังไงถห้เราต้องรับคําสู้อย่างดีนะครับบอกท่านโอ้ยมาเหนื่อยนะพักผ่อนก่อนนะมาพักผ่อนกินนะ้ำตาหน้าอะไรก่อนเนะี่ยสบายสบายก่อนนะครับทางเขาตายใจแ ล, แล้วเราก็แอบไปนะครับแอบไปโจรานกันนอกสีมาเลยครับ แอบปลานากรนองสีมาเลยที่สีมาแม่น้ น, นี่ก็สีมาธรรมชาติน่ะส่าธารรมชาติแม่นะำล้วนในป่าก็แอบทําไปนะครับถ้าสมมุติว่าอย่างนี้ก็ยังไม่ได้อีกนะผู้วิสุขผู้บางม้าน่ะเขาส่งข้าหนุ่มเนรน้อยคอติดตามตลอดเลยนะครับจะไปไหนไม่ได้นะแอบไปไม่ได้แล้วนะครับเขาติดตามตลอดเลยเนี่ยทายังไงกันทีนี้ก็มีวิธีหนึ่งะครับ ก็คือวิธีท่านบอกไว้นะครับก็คือตั้งยัตตินะครับเลื่อนปรณาออกไปเป็นอุโบสถหน้าคือเราก็ไปปรณานะครับอุโบสถที่เจ็ดแทนนะครับนะอุโบสถนั้นนะครับอุโบสถนี้ก็ไปสืบปัญโมุกแทนนะครับเราสามารถเลื่อนได้สองอุโบสถนะเลื่อนไปอุโบสถที่เจ็ดถ้าเขายังมาอีกนะครับเราก็เลื่อนไปอุโบสถที่แปดนะวิธีจ้ารก็ทําเหมือนเดิมนะครับทําแบบที่ว่า เขาจะไม่มาทนานวัตรภาวนานะาแต่พอมันถึงวสที่แปดเนะี่ยในงานยังไงก็ต้องปภารนานะครับคือเขตของวันภาวนาจะซึ่งสุดแค่นั้นนะถ้าเลยจังนะคือไม่ได้นะครับถ้าใช่นน่าจะสำเร็จอยู่หน้าเราพยายามเต็มที่แนละ้วนี่ครับเป็นท่าเคยบอกว่าจากนั้นวันออกพรรษาก็จะมีในวันแรกสิบสี่คาำเดือนสิเ็ด บทที่เจ็ดใช่ไหมหรือวันขึ้นสิบห้าคเดือนสิบสองฝูบทสวที่แปดเราสามารถเรียนได้สองครั้งนะครับสําหรับุผู้จําภาษาหลังเราผู้จําภาษาหลังเขาจะจําภาษาในวันแรมหนึ่งา่ำเดือนเก้าเก็คือตรงบทสวที่สามนะนะบทสวดที่สามน่ะเป็นวันแรมนะครับแล้ผู้ทําภาษาหลังจําภาษาตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือนเก้าเมื่อเขาจําภาษาวันแรมหนึ่งค่าเดือนเก้าเนี่ย ข้าจองภรรษาในวันขึ้น15 5, 12, ออนะเข้าเดือน12ก็คือโมสตที่8นะข้าเด็กจะครบ3เดือนพอดีนะครับโมเสตที่ 8. แล้วข้ก็จะปวน า, าออกพรรษาในวันขึ้น15เข่งม12รวมแล้ววันปราณาจึงมี3ด้วยประการนี้ก็คือวันปวนาสามาจะมีแค่3วันใช่ไหคือโมเสตที่6นะครับโมเสตที่6 15เข้าม11 โมงศตที่เจดสิบี่ข้ามเดือนสิบเอ็ดโมตที่แปดสิบห้าข้ามเดืนสิบสองตามกรณี้ที่ว่าเมื่อกี้นะความจริงวิธีนี้เป็นวิธีที่ประพฤติกันอยู่โดยปกติเท่านั้นยนนี่ีพิสดากว่านี้อีกแต่เมื่อมีเทตุจำเป็นนะจะปรนนาแม้ในวันขึ้นสิบสี่ข้ามเดือนสิบเอ็ดหรือสิบสี่ข้าเดือนสิบสองก็ได้นะครับยังไงเนี่ยเห็นไหม สิบสี ands, Ever, geez, geez. Kin, ่ถ yes ้มเดือนสิบเอ็ดนะครับตรงกันวันไหนสิบสี่ถ้มเดือนสิบเอ็ดนะครับก็คือเดือนเจ็ดใช่ไหมนี่เห็ใช่นะเดือนเจ็ดนะครับแล้วก็นี่กันนะใช่ใช่อย่างขึ้นมันขึ้นเนี่ยอ๋อครับอุโบสถที่หกนะครับอุโบสถที่หกกับอุโบสถที่แปดนะนะครับอุโบสถที่หกเนี่ยเป็นวันปราณาของปิจูผู้จําพรรษาแรกนะครับอุโบสที่หก อุโบสถที่แปดเป็นวันปลราณาของมิสูผู้จําภาษาหลังเข้าจำภาษาหลังเราหนึ่งเดือนนะครับเขาก็จะปลวนาหลังเราหนึ่งเดือนคืออุโบสถที่แปดนะทีนี้ถ้าบอกว่าอุโบสถที่หแล้วก็ที่แปดเราดูว่าเป็นวันอะไรกี่ค่ําทั้งขึ้นสิบห้าค่ำทั้งหมดเลยใช่ไหมครับขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดแต่ขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองแต่ถ้าบอกเมื่อมีเหตุจําเป็นเนะี่ยให้ปลวนามันขึ้นสิบสี่ค่ำเดือนหก หรือว่าสิบสี่ค่ำสิบสี่ค่ำเนสิบสองสี่ค่ำเนสิบเ็ดสิบสค่ำเนสิบสองก็ได้อันนี้เป็นยังไงครับอันนี้ก็คือในกรณีที่เหมือนก่อนการลงปฏิโมกนะ์ะมีพิสูจน์เจ้าถิ่แล้วก็พิสูจน์อันพงุการที่ว่านับวันอุโบสถไม่เหมือนกันนะครับนะอาจจะเจ้าถิ่นหรืออันพงศุการ์เแลกแต่นับวันปออนาววันนี้ว่าเป็นวันสิบสี่ค่ำนะครับพวกได้มีมากใช่ไหมก็ต้องคอยตามพกนั้นใช่ไหะครับเนี่ย สงน่างนนี้ะออ น, นะครับฟ <c ười> ังนะครับเจ๊อาจจะยังมองไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อไปเนี่ยเื่องเรือนี้ไม่ใช่ธรรมดานะและในเวลาใดสงเกิตแตกกันอย่างที่มาในโกสัมพี่กัขันตะกา น, นะแต่เรื่องอะไรนะน้ำชำระใน ว, วัดจะกูดีรเรื่องแค่นั้นเองนะ แต่แยกเป็นสองฝั่งสองฝั่งไปถึงพม่าโลกใช่ไหมครับเ <c oughs> มื่อสองเรีย้ยวพิสูจที่ถุนยงวัดเข้าหมู่ด้วยกับมาวางจ่าแล้วเพราะในเรื่องนั้นนะมีการยกวัดอะไรนะพระธรรมกัจจือใช่ไหมครับพระวิในทอนนะยกวัดพระธรรมกัจจือฐามไม่เห็นอาบัตใช่ไหมครับเมื่อยกวัดแล้วนะถ้าก็ไม่ลงโมส ร, ร่วมด้วยนะครับแต่ถ้าธรรมกัจจือเขาถือว่าเขาไม่ผิดนะ ถ้าถือว่ากรรันเป็นทางมเขาไม่ผิดนะครับถ้าธรรมกัจจุริย์ก็พาพู้งเข้าเนี่ยไปทำอุโบสถกันนอกสีมานะครับแน่แม่นักสาธรรมชาติอะไรก็แล้วแต่นะถ้าไม่ได้ทำท้องก็ทำอุโบสถกันในสีมาในวัดนะครับนี่แยกทำอุโบสมอะไรนะครับทีนี้ทีหลังเนี่ยก็สามปฏิยุทธ์ดีกันได้นะก็เลี่ยงนะครับถ้าทํากัจจุริย์เนี่ยเข้าหมู่นะเรียกเข้าหมู่ด้วยกรรมาวาจาแล้วสงฆ์ก็ทำสามมังคีเพื่อละก้อที่ก่อนนั้น การทําสามังคีก็มีการตั้งยติเหมือนกันนะครับตั้งยติส่วนนะเพื่อทาสามังคีกันนะครับเวลานั้นวันอื่นๆที่ไม่ใช่วันสิบสี่ข้ามหรือสิบห้าข้ามจะเป็นวันสามังคีอโบสถนะครับเมื่อตั้งัยติทําสังฆกรสามังคีนะส่งของเพียงเสร็จแล้วนะครับจบยตินี้แล้วแล้วก็จะลงปฏิโมงในวันนั้นเลยจะเป็นวันหนึ่งข้ามสองข้ามสามข้ามกี่ข้ามก็แล้วแต่นะไม่เกี่ยวนะครับวันที่สามังคีจะได้เหมืนั้นแหละ ก็ลงโบสถ์ได้เลยตามพระบาลีที่ว่าในวันนั้นสงฆ์พุทํารมโบสถพึงสวดปาฏิโมกั์เนี่ยไปนะครับโอ้ยนั่งเรียนสมัยประถมเรียนใหม่ๆะมันเป็นเนินผมงงตลอดผมไม่ค่อยจะรู้เดือนไหนเป็นเดือนอะไรมันเป็นเด็กคนสมัยนี้ไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ไหมครับเดือนนี้เป็นเดือนสมัยก่อนยนโบูลาอย่างนี้นะรู้แต่อะไรหนึ่งมกราสองภูมิ แล้วครันี้ไม่ต้องพูดถึงเลยในเรื่องจริงๆคร้งนี้ไม่รู้เลยนะครับบอกเลยก็ไม่รู้นะต้องต้องเป็นข่าวต้องประเดีย๋ยงพิเศษนะะ <ๆ S 2> อันนี้พูดกับคนพอรู้แล้วความจริงอ่ะผมมีแผ่นที่ไปแจก ง, งานสัมมนานครมันยังเหลือนะเดี๋ยวจะมาแจากทีหลังพอเกี่ยวเรื่องเดือนเนี่ยในปีขาบนขั้นต่อไปเราจะได้ใช้เรื่อยนะครับพอเดี๋ยวนี้ดู่นะคุณด เรือเข้ามาเลยครับเดี๋ยวมาแจกมาหลังกันแล้วกันนะครับสองนี้เปนะ็นไรนะอารางน้อยๆนี่ก็พอดูได้นะครับเพราะยังไม่ลงรา ย, ยเกีเรื่องเดือนเรื่องเดือนมากนะแต่ถ้าพอไปถึงตรงนั้นก็จะอธิบายฟังกันอีกทีต่อไ ป, 1, 2, ปวันหนึ่งวันสามมังคีปวารณาของมิสูทุกจราปนสาร่ายกรรมสาร่ายจะมีได้ตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ด จนถึงวันครึ่งสิบห้าเข้าดเดือนสิบสองนะครับถามเมื่อกี่พี่สุพู้จำพรรษาแรกนะอ่านะครับคือวันแรมหนึ่งเข้าเดือนแปเขาจะปรณากันในอุโบสถที่เท่าไหร่ครับเมื่ี้จำพรรษาแรกนะปรณากันในอุโบสถที่เท่าไหร่โอเคมีถึงแค่แปดเองนะครับอุโบสถที่หกนะครับพอเขา้าอทีตหนึ่งใช่ไหมครับจำพรรษาแต่ที่ย์หนึ่งนะ่ะ เขาจะมาตรงบนสถิติหกนะครับทีนีาา้ตรงบนสถที่หกเนี่ยเขาอย่ากเลาะ ก, กันอยู่เลยเยอะแม่สามบางทีกั็เลยปอนานไม่ได้ครับยิ่งปอนานอาจจะยิ่งหนังมาใหญ่นะสั้นกันด้วยหอคือฝ่าท่ามกับ <c oughs> เขาไม่ลองกันนะเขาไม่ร่วมเลยแสงคำเขาไม่ร่วมกันเลยนะครับเพราะงั้นวันนั้นก็ยังปาอนาไม่ได้นี้ก็จะทํางังไงก็ยังไม่ได้ปอนานะครับตรงก็อนุญาตว่าให้ไปปอนานะครับ ตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเ็ดเลยนะตรงบอสตี้เจ็ดนะบอสตี้เจ็ดเนี่ยเป็นวันแรงสี่ค่ำเลยใช่มครับทีนี้ถ้าสามเมือีกันได้วันไหนนะให้สามมาทำปาวานาได้ตั้งแต่วันแรงหนึ่งค่ำนะครับเดือนเดือนสิบเอ็ดนะตรงบอสตี้เจ็ดนะครับต้งแต่วันนั้นเลยอันนั้นหนึ่งค่ำไปเลยนะไปจนถึงวันที่สิบห้าค่ำเดือนสิบสองนะครับเนี่ยวัไหนก็แล้วแต่สามขีกันได้นะครับในเขตนี้นะครับ ถ้าเรนี้ไปแล้วก็ไม่ได้แล้วครับเนี่ยนะเลยบอกว่าจนถึงวันครึ่งสิบห้าเข้มเดือนสิบสองอธิบันได้สิบสี่ น, 15, 12, น, ะ, 14, นะครับเปลี่ยนเป็นสิบห้า 15, นะครับเขาเปลี่ยนให้แล้วใช่ไหมนะครังเดือนสิบห้าเข้มเดือนสิบสองนี่นะครับก <c oughs> ารอธิบายมานี้บรรณาวันทั้งสามนี้อ่าด้วยคํานี้ว่าปณลโศเป็นวั น, 15, นะ ส, นสิบห้าเข้มอชุปโสถุปณลโศสมมติมว่าวันนี้นะ่ะ ที่จะถึงต่อไปลายฐาน่ลยนะอุโบสถที่จะถึงต่อไปเนี่ยเป็นอุโบสถอ่าที่เท่าไหร่ครับที่สามใช่ไหมอุโบสถที่สามอุโบสถที่สามตรงกับวันกี่ค่าครับที่ที่สามเนี่ยขอเร้่ดูฝนไงแรกสิบสี่ค่ำเดือนเก้าเาเนี่ยแรกสสี่ค่ำเดือนเก้านะแต่อุโบสถที่สองที่ผ่านมาเนี่ย เป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนเก้าใชครับนี่นะไปฟังถ้า ว, ว่าสมมติว่าเป็นวั น, นะนสิบห้าค่ำนะปัญลโสเป็นวันสิบห้าค่ําชื่อว่าห้าวันบสถอื่นมีวันสิบสี่ค่ำเป็นต้นก็คือบสถไหนที่เป็นสิบห้าค่ำเราก็ทําวันสิบห้าค่ำแหลงครับเพราะฉะนั้นสองห้ามค่ำบสถในวันไม่ใช่วันอโบวช <c oughs> ไม่ได้เห็นะ ถ้าไปทำอุโบสถในวันไม่ใช่อุโบสถก็จะมีอาบันนะครับนอกจากในกรณ์อ่ะอันนั้นสามขีออุโบสถ น, น, นั้นได้นะซึ่งพระเจ้าจต่างห้ามไว้ว่าอาชโปสดโถวันนี้เป็นวันอุโบสถแต่ควรทำอุโบสถในวันอุโบสถเท่านั้นนะจะทำอุโบสถกันทุกวันพะระเลยทั้งผ้าและกผ้าใหญ่นี่ไม่ได้นะเสร็จนะครับก็ทําฉพาะผ้าใหญ่แหมถึงอุโบสถ แต่เมื่อจะทำอุโมสถถ้าเป็นวันสิบสี่ค่ำต้องสวดว่าอชุปโสถโจารุตเถโสวันนี้เป็นวันอุโมส์สถสิบสี่ค่ำถ้าเป็นวันสิบห้าค่ำสวดว่าอชุปโสถุปนารโสวันนี้เป็นวันอุโบสถสิบห้าค่ <c oughs> ถ้าเป็นวันสามคีสวดว่าอชุปโสถสามคี วันนี้เป็นวันสามมิคิอุโบสถครับแต่ว่าสามมิคีอุโบสถที่หายากแล้วนะครับไม่ค่อยมีแล้วนะเออครับไม่ทะเลาะกันขนาด น, นั้นครับถึงทะเลาะกันนะเขาก็ยังอาลงโบสถ ร, ร่วมกันใช่ไหมครับนม่ถึงว่าแย่ ก, กันหรือเงื่อนไรนะคต่อไปนะครับต่อไปต่อไปความพร้อมเ พ, พียงแห่งสองที่เรียบประทับอัลลาฮ์นะ ในควาว่าเยทีสังคสักปะตะกังล์เนี่ยอธิบายมาตามลำดับเลยนะสุนะตุเนพันเดสังโคอชปาาโปสทโปปันละโสวาดแล้วใช่ไหมวันบวชที่นะ่ะเยทีสังคักปะตะกังล์เนี่ยเยทีถ้าว่านะความพร้อมเพียงใช่หมความพร้อมเพียงมีแก่พรสงมครถ้าว่าอ่ยายก็ง่ายนะ ถ้าว่าก็สงพร้อมเพียงกันแล้วใช่ไหมเนียถ้าว่าสงพร้อมเพียงกันแล้วนี่นะอธิบานทางนี้แหละมีความหมายของสัว่าเวลาสําหรับกรรมนี้มาถึงแล้วเห็นนั้นจึงชื่อว่าปะตะาัตปะตากาลนะครับตอนแรกปัตตากาลอนะนนี้สับแสงบานี้ปัตตาก็ว่าถึงแล้วนะกาลแปลว่ากาก็แปลว่ามีการถึงแล้วหมายถึงการกรรมเนะราสาหรับกรรมนะ ที่มีการถึงแล้วหรือว่าถึงกลาแล้วนะคะรับปตตากลาละนั่นแหละชื่อว่าปตตากนละนี่นะภาษาอังกก็แปลงไปแปลงมานะถึงปตตากลละปตตากนละนั้นนะครับคือที่มีการถึงพร้อมนะมีการถึงพร้อมง่ายๆก็แล้วกันกรรมที่มีการถึงพร้อมแล้วนะครับหรือว่าถึงกลางแล้วประกอบด้วยองค์สี่ในสัต ก, กรรมนี้เหมือนอยา่างที่พระธรรมจางกล่าวไว้มาก คือกรรมอุโบสถเป็นต้นนะจะชื่อว่าถึงพร้อมนะครับมีการถึงพร้อมเนขะเพราะว่าประกอบด้วยองค์ที่เรียกว่าปตัตตากันละเพราะประกอบด้วยองค์คือหนึ่งเป็นวันอุโบสถสองพิสุผู้เข้าทํากรรมครบจํานวนสามสงไม่ต้องสภาฮาบศรีบุคคลต้องห้าไม่มีในสองนั้นเวลาเข้าสวดใช่ไหมปตตากันละตอนก่อนจะจะลงปฏิโมกขึ้นไหมครับ ปฏิสุปติโมกข์กําลังน ะ, ะต้องเป็นวันอุโบสถใช่ไหมต้องมีพิสุผู้สมควรแก่การเพียงพ อ, ต, อ, งอางตาหนึ่งจะมันหยักต่ำเพียงตามสี่รูปนะครับอยลงปฏิโมกข์หน้าต้องไม่มีสภาคาบต้องไม่มีบุคคลต้องง้ามเนี่ยทบากใช่ไหมเหล่านี้เรียกว่าปตักร ะ, ะกละมีความพร้อมวงเหล่านี้สมบุรณ์ีแล้วหรืออามาพันเตอร <c oughs> มม์นี่สมบูรณแล้วอย่างเงี้ย ย่ามจากที่บาระีรันมาะนะครับในคาถานั้นคําว่าอุโบสถได้แก่วันอุโบสถวันใดวันหนึ่งบรรดาวันอุโบสถทั้งสาเนี่ยว่าไปแล้วเมื่อกี้เพราะเป็นวันอุโบสถอุโบสถกรรมของสงนี้จึงชื่อว่าปัตตังกันละนะชื่อว่ามีความถึงพอเมือ่อเมื่อไม่ใช่วันอุโบสถปัตตกันละก็ไม่มี สมกับพระดำรัสที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าพิะสูตรทั้งหลายสงไม่ควรทำํำบวชสถในวันที่ไม่ใช่วันบวบสถสงใดทําสงนั้นต้องอาบัตุกฎนะครับถ้าเกิดไปทํามั น, น, นไม่ใช่อุนบวชสดนะไม่ใช่วันบวชสดนะลงปฏิโมงนั้นนะครับก็จะต้องอาบัตุกฎกันเ <c oughs> <c oughs> ออคาว่ายามติการจากพิขูกรมรมปัตตาพิะสูตผู้เข้ากรรมครอบจํานวนอธิบายว่า จำนวนพิสูุผู้สมควรเข้าร่วมบทตึกรรมนั้นกําหนดอย่างต่าสุดรสี่รูปขึ้นไปนะเป็นพิสูจปกติตะคือพิสูจปกติไม่ต้องแบบประลาชิกนะครับถ้าต้องแบบประลาชิกนะจะมาร่วมปฏิโมกข์เข้าไม่ได้นะครับต้องสิ่งเดียวถ้ามาร่วมปฏิโมกข์เนี่ยไม่ได้น ะ, ะจะทำให้กรรมเสียนะครับพวกนี้น ะ, ะมาเข้ามาในถวบาร่นปฏิโมกข์นี้ไม่ได้ทำให้กรรมเสียเ <Yeah. S 1> ขาเสียเลยนะครับไม่ได้ ต้องงดงดปฏิโมกหรือว่าทำมันก็ได้ให้แก่ปัญหาธบให้ได้นะครับเหมือนการมาจะเสียก็เป็นเวลาชิ้นแล้ว น, นะก็ต้องมีการสอบสวนวินิจฉัยนะให้ท่านยินยอมนะครับเดีย๋ยถ้าลูท่านแน่นแลก็งดปฏิโมกขณะไ ม, ม่มาร่วมครับหรือว่าไม่ถูกสงยกวัฒนอันนี้เกี่ยงโยกวัฒนเนี่ยยกบ้านความจริงเป็นการแปลไปก่อนว่าความหมายถึงยกอ่อนจากหมูกขณะนะครับ ไม่ร่วมสงกกรรมไม่ร่วมอะไรกับหมูขา้างหน้านู่นนะคือพิสูจนที่มีลักษณะงไงไม่เห็นอาบัต น, นะครับไม่ทําคืนอาบัตแล้วก็เป็นมิฉาทิฏฐิพิสูจน์ที่ไม่เห็นอาบัต น, นะก็หมายเพราะว่าไม่ยอมรับว่าการกระํานั้นเป็นอาบัต น, นะถึงคนเข้ามาเตือนมาบอกนะครับหรือยกใบหลักฐานอะไรมาทุกอย่างอะไรนะแกก็ไม่เชื่อจะอะไรกันนะหนาแค่นี้แค่กินข้าวเย็ยนแล้วมันเป่าอัมปันตี <laughs> ไม่เชื่อเลยนะไม่รับไม่ยอมรับเลยนะครับเป็นอาบัต น, นะเขาจะยกอะไรมาแล้วแต่เนี่ยอันนี้ก็สงสารมากยกวัดได้เลยนะครับเขาจะลงกรรมนะเออเขปนียกรรมยกอันจะำบุข้าหน้าแล้วนะครับไม่นอนร่วมไม่อะไรร่วมเลยนะไม่ทํำสัอยู่สํานฆกรรมร่วมเลยนะครับยกอันจหมุกันเลยและผู้ที่ไม่ทําคืนอาบัตคือรู้ต้องรู้ว่าเจอต้าอาบัตแล้วก็ไม่ยอมทำคืนนะครับ สิกไม่หนึยยงนั่นแหละนะนี่สิกคีก็อยู่ในกระเป๋าอยู่ในยาง ก, ก็อยู่อย่นั้นแหละนะครับเมื่อย้อมพัฒนาไม่ทาคืนนี่อันนี้ก็ย่องวันได้เลยครับย่บยองวันได้เลยนะครับพราะแกไม่อยากทําทคืนอาบะเราต้องมีการไปว่ากาวตัดเตืยนไปอะไรก่อนนะไม่ใช่อยู่ดีไปย่องวันเลยนะครับว่ากลาวตัดเตือนแล้วก็โจดใช่ไหมให้ท่านรํานะครับถ้าท่านทําคืนนะแล้วก็ไม่ต้องย่องวันนะครับแต่ถ้าไม่ยอมทําคืนนี่ดื้อดึงอะไรอย่างนั้นนะครับ เนี่ยถึงจนจะยกวันท่านนะครับอันนี้นะคไม่ทําคืนอาบัตแล้วก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างพระอริธาใช่ไหมมิจฉาทิฏฐินะครับไม่เชื่อว่าการละเมิดพระบัญญัตนะินะสิคขาพุทธเจ้าคงบัญญัติไว้เนี่ยสามารถทําันตรายได้เขาไม่เชื่อนะครับไม่เชื่อเดี๋ยวข้างหน้าเราจะเจอนะ <c oughs> ถึงขนาดว่าเนี่ยการเสรจเมธุนเนี่ยโอ้หมนจะไปห้ามบางผลนิพพานห้าสวรร์อะไรนะฮะห้ามรอ สนะว่าเครื่องปูน่าอ่อนนุ่มเนี่ยเรายยังไปจับต้องได้อะไรได้ใช่ไมครัไม่ไปบาปไปกรรมอะไรเลยท่านเขาเรียนที่ธรรมานะแต่เขาไม่ไม่เข้าใจาา้งนิยามว่ามีไหนนะครับท่านก็ไปสงฆ์องท่านนะมันเป็นอะไรเนี่ยการ ญ, ญัณเกิดขึ้นใช่ไหมเหมือนกันเลยมันมีแต่ปรมณ์อนะ่ะแค่การ ญ, ญาันนั่นไปถูกต้องปลตะพาลมเนี่ยเวลาไปถูกต้องเนื้อตัวผู้หญิงก็ดีเครื่องหน้าที่อ่อนนุ่มก็ดีนะครับมันมีแค่นั้น เห็นเขปฏิเสธไม่เชื่อว่าเป็นโทษนะครับเนี่ยนะพิสูจน์ไปว่าตัดสังเตรียมก็ไม่เชื่อนะครับถ้ามิศาลิธิขนาดนี้เลยนะก็ยงว่าได้เหมือนกันโยงสมพระนั่งเกล็ดหรือจะเป็นเจนาเรียดนู่นเา่าน้านะอันนี้พูดคร่าวๆนิดนี้พอเรียบที่เป็นมิศาลิธินะครับและพิสูจเหล่านั้นนะก็ไม่ลาบธบะอยู่ในสีมาเดียวกันนะเป็นกระตาๆนะครับไม่ได้เป็นอย่างที่ว่านะแล้วก็อยู่แนวธบดนี่ อาธบาต้องดูให้ดีน่าไปเลยอย่างาถ้าว่าลงปฏิโมงแล้วก็อยู่นอกอถบาถบาไม่ได้กันนะครับอันนี้ก็กรรมเสียนะใช้ไม่ไ น, นั่งกันปัญหาธบาต้องดูนะครับกรรมชื่อว่าเป็นว่านะเพราะว่าอยู่ในสีมาในกั น, น่ะแต่ว่าแยกธบาตันนี้นะครับต้องหาธบาต้องได้อืมครับนะครับใช่ไหมสงไม่ต้องสภาสาบเ น, นี่เยังไม่ได้ที่มามีแต่ที่สุผูุ้เข้าทํากรรมขึ้นจํานวนนะครับ ต่อมาท่านก็จะพูดถึงสีมาเลยนะครับเพราะท่านบอกว่าพี่สู่เหล่านั้นก็ไม่ละทบะใช่ไหยอยู่ในสีมาเดียวกันอยู่ในสีมาดดวยกันลงปฏิโมกนะมีกรรมอย่างอื่นนะครับอันนี้มานนนนปฏิโมกไม่น่าทบะ ก, กันทีนี้สีมาเป็นยังไง